Thank mm -hmm. you. สมัยหนึ่งภาษาริบุตรได้จำภาษาที่เชตวันออกภาษาแล้วนะท่านก็มีกิจนะ จ, จาริกนะไปยางที่อื่นนะเป็นระยะเวลานา น, านคงจะหลายเดือนนะพระที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาที่เคารพนับถือท่านก็มายืนรอส่งนะ ที่หน้าประตูนะครูบาอาจารยนะ์จะจะลิกไปไกลแล้วแล้วก็มายืนรอส่งแล้วก็แสดงความเคารพกาใส่บุตรนะท่านก็เป็นพระครัสาวกที่มีความสุภาพแล้วก็อ่อนน้อมถ่อมตนเมื่อมีผู้มา ยืนรอส่งรอแสดงความเคารพนะท่านก็ทักทายการทักทายก็ถามชื่อนะถามถามโคดนะนะหรือผู้ง่ายถามชื่อแซนนั่นเองเพราะว่าหลายท่านท่านก็ไม่รู้จักก็เป็นการทักทายตลอดทางก็คงจะทักใช้เวลานานา น, นะทักทายหลายคนในภาพรูปหนึ่งเนี่ยนะ ท่านก็อยู่ในที่นั้นด้วยแล้วก็แล้วก็ร อ, อส่งพระสายรุบุตรแต่ว่าพระสายรุบุตรบังเอิญมองไม่เห็นก็เดินข้ามไปไปทักทายคนอื่นท่านก็มีความไม่พอใจนึงในใจว่ า, าพระสายรุบุตไม่ทักทายเราเลยนะไม่ถามชื่อไม่ถามโค้ชของเราเลยนะ ก็มีทั้งความน้อยใจแล้วก็โกรธด้วยไม่พอใจก็บางเอิญในระหว่างที่พระสตรบุฎเดินผ่านเนี่ยชายหรือมุมสังตัติของท่านก็ไปถูกตัวพระรูปนี้พระรูปนี้ก็ถือเป็นข้ออ้างนะเนื่องจากมีความขุนเคืองใจที่พระไตรบุฎไม่ทักทายก็เลยหาเหตุไปฟ้องพระพุทธเจ้าว่า ถูกพกระไสยฤทธบุตรทำร้ายนะพระพุะองค์ก็เลยจะเรียกให้มีประชุมสงฆ์เ พ, พื่อที่คิดว่าเป็นอธิกรแล้วนะเป็นอธิกรและแม้เรื่องอย่างนี้พระองค์ก็ไม่ให้ผ่านนะแล้วก็พระองค์แทนที่จะแก้ต่างพระองค์เห็นว่าทางที่ดีคือว่าให้มีการไต่สวนประชุมสงฆ์ทั้งเชตวัน แล้วก็ถามพระราริบุตรว่าท่านทําเช่นนั้นจริงหรือเปล่าพระไซรุบุตรก็ไม่ได้ปฏิเสธนะแต่ผู้ว่าคนที่ไม่มีสติเนี่ยนะเมื่อทำอะไรไปก็อาจจะไปกระทบกับผู้อื่นได้อาจจะไปเบียดเบียนผู้อื่นได้แล้วพระไซรุบุตรก็กล่าวต่อไปว่าเนี่ยข้าพระองค์เนี่ยนะก็มีรักษาใจเนี่ยนะ เปรียบเหมือนกับแผ่นดินน้ำอากาศไฟอันนี้เป็นความอุปมาอปรม้นะหมายความว่ามีจิตใจที่ไม่แปรผันมั่นคงแผ่นดินเนี่ยนะอันนี้ความหมายก็คือว่าอุปมาแบบนี้ก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าเคยตัดว่าเนี่ยแผ่นดินเนี่ยนะแม้จะทิ้งขยะลงไปแม้จะหาจอบหาเสียมาขุดคนขุดนั่นก็บอกว่า แกอย่าเป็นแผ่นดินเลยนะแผ่นนี้ก็ยังเป็นแผ่นดินอยู่นั่นแหละน้ำเนี่ยนะจะทิ้งอะไรลงไปนะก็ยังเป็นน้ำอยู่นั่นเองอากาศนี่จะวารูปจะจะมีหรือลมนี่จะพัดที่ไหนไปที่ไหนนะของไม่ว่าจะผ่านของหอมของเป็นก็ยังเป็นอากาศอยู่นั่นแหละไฟก็เหมือนกันนะจะโยนอะไรลงไปจะเป็นไม้จะเป็นทานจะเป็น สร้างพื้นสร้างสาก็ยังเป็นไฟอันนี้เป็นคำเปรียบเทียบว่าเปรียบเทียบถึงความมั่นคงนะไม่แปรผันไม่ว่ามีอะไรมากระทบก็ยังนิ่งได้ยังคงที่แล้วพรสด็จก็กล่าวว่าข้าพระงก็มีจิตใจแผ่เมตตาอย่างสรรพสัตว์ทั้งหลายก็อธิบายพูดเพื่อที่จ ะ, ะไม่ได้ไม่ได้อธิบายไม่ได้แก้ตัวโดยตรงนะแต่ช่้เห็นว่าท่านไม่มีจิตคิดร้ายนะ ต่อผู้ใดไม่ว่าใครจะทําอะไรท่านท่านก็จิตใจมั่นคงผู้เช่นนี้เนี่ยภาพรูปนั้นก็เกิดสํานึกผิดขึ้นมาขอโทษขอเข้ามาพระสารีบุตรพระสารีบุตรก็ก็กราวว่าท่านก็ไม่ได้คิดลายอะไรนะก็ยินดีแห้ภยัยและขณะเดีวยวกันก็ขอเข้ามาด้ขอเข้ามาภาพรูปนั้นโดวยว่าถ้าเหิดหากว่าทำอะไรผิดพลาดไป อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์เล็กๆนะในเชตวันซึ่งมีจารึกไว้ในพระไตรปิฎกซึ่งก็ในด้านนี้ก็ชี้ให้เห็นถึงบุคคลลักษณะของพระสัลีุบุตรนะว่าท่านาเป็นสุภาพบุรุษนะนนพูดแบบภาษาชาวบ้านนะเป็นสุภาพบุรุษมีความอ่อนน้อมถ่อมตนถึงแม้ว่าท่านจะเป็นพระคราวกเบื้องขวาเป็น มือขวาของผู้เทิดเจ้านะีแต่ว่าก็ไม่แสดงอํานาจเมื่อเขาขอเข้ามาไม่เพียงแต่จินดีรับเข้ามาก็ยังพร้อมที่จะขอเข้ามาอีกฝ่ายหนึ่งด้วยนะเพราะว่าท่านอาจจะเห็นว่าการที่ไม่ได้ทักทายมองข้ามไปนี้ก็ก็เป็นสิ่งที่ควรจะข อ, อาภายเหมือนกันนะแม้ว่าท่านจะเป็นพระผู้ใหญ่นะี เรื่องนี้ก็ก็เป็นสิ่งที่ควรจะขอโทษเช่นเดียวกันแต่ประเด็นที่จะอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะที่น่าพิจารณาคือว่าพระรูปนี้นะซึ่งเป็นพระผู้น้อยเนี่ยท่านก็คงยัมีศรัทธามีความเคารพนับถือในพระสรัหรบุดนะจึงไปยืนรอรอส่งคราวนี้เนี่ย ก็มีคำถามว่าทำไมในเมื่อมีความศรัทธาในพระไตรบุตรแล้วเนี่ยจึงลงเอยแบบนี้นะก็คือกลายเป็นว่าจิตมีความมุ่งร้ายหาเรื่องนะกล่าวหาพระาตรบุตรถ้าจะว่าไปแล้วก็เพราะศรัทธานั่นแหละนะจึงมีความขุดเคืองเพราะว่าเมื่อพระรุ่นี้มีความศรัทธาในพระไตรปิฎกนะก็ ก็คือให้ความสําคัญกับพระไตรปุฎและเมื่อให้ความสําคัญแล้วเนี่ยก็คิดว่าเนี่ยถ้าพระไตรปุฎเนี่ยมาทักทายตัวเองบ้างก็จะดีนะมีความปรารถนาอยากจะให้พระไตรปุฎได้ทักทายคนเราเนี่ยถ้าไม่ถ้าไม่ศรัทธาใครเนี่ยก็ไม่ไม่ปรารถนานะจะให้คนนั้นเข้าม า, มาทักทายเราเนะหรือมาอ่าสนทนากับเรา อันนี้ก็เป็นความศรัทธานะที่มีต่อพระไตรปิฎกนะที่ทำให้อ่าเกิดความคุณเคืองใจธรรมดาศรีฐานี่นะเมื่อศรัทธาใครก็หมายความว่าเรายอมลงให้กับผนนู้นั้นยอมลงให้กับผนนู้นั้นแต่ทำไมในเมื่อศรัทธาพระไตรปิฎกแล้วเนี่ยจึงมาทำร้ายนะมามุ่งร้ายพระไตรปิฎกก็แสดงว่ามีความอ่า อยากให้พาะเซรุบุเนยมให้ความสําคัญกับตนนะอยากให้ตัวเองเนี่ยเป็นเป็นเป็นใครสักคนที่ภาษาฝรั่งเรียกว่าซัมโบดี้นะในสายตาของภาษารุบุตยิ่งศรัทธาใครเนี่ยเราก็อยากจะให้คนนั้นเนี่ยนะเห็นความสําคัญของเราแตนะ่ถ้าไม่ศรัทธาใครก็ไม่สนใจนะบว่าใครคนนั้นเนี่ยเขาจะมาสนใจเราหรือเปล่าเขาจะมาให้ความสําคัญกับเราไหม ภารูปนั้นก็คงจะมีะท่าทีแบบนั้นแหละคือพอศรัทธาพาระไตรลบรัตเราก็อยากจะให้พระไตรลบรัตเห็นความสําคัญของเราพอพระไตรลบรัตเนี่ยมีอาการเหมือนกับว่าไม่เห็นความสําคัญของเราไม่ทักทายเราก็เลยโกรธเป็นความโกรธที่เกิดจากความผิดหวังนะผิดหวังเพราะว่าอยากจะให้พระไตรลบรัตนะแคร์เราสนใจเรานะไอ้ความผิดหวังแบบนี้นัไปเป็นความผิดหวังที่ เกิดจากความยึดติดถือมั่นในตัวกูนะท่าจะว่าไปแล้วเนี่ยศรัทธาที่มีต่อพระไตรบุตรเนี่ยมันจะเป็นศรัทธารุน่นล้วนนะเพราะจะเป็นศรัทธารุน่นล้วนเนี่ยคือการยอมนะลงให้ยอมมอบกายถวายชีวิตให้อย่างที่ถ้าเกิดศรัทธาในพระปรตนิไตรเนี่ยถ้าเป็นศรัทธาที่แท้ก็เรียกว่ายอมนะยอมทุ่มเทชีวิตยอมลงให้จะยากลําบากยังไงก็ยอม อาการของภาพลุ่มนี้เนี่ยนะมันสอว่าเป็นศรัทธาที่ไม่ได้อเป็นศรัทธาล้วนๆนะแต่เจือด้วยความยึดติดในตัวตนหรือว่าเป็นศรัทธาที่เจือไปด้วยกิเลสคือมานะมานะคือความถือตัวนะความถือตัวอยากจะให้ตัวตนเนี่ยมันได้รับการเชิดชูนะ การนี้พอพระไตรบุฎเนี่ยไ ม, ไม่ไม่ทักทายด้วยความไม่รู้เนี่ยไอตัวกิเลสตัวมานะเนี่ยตัวตานี่มันก็เลยเรีอกว่าพิโรธนะไม่พอใจเพราะว่าไม่ได้รับความสําคัญก็กลายไปว่าจากคนที่ศรัทธาก็กลายเป็นกรับปรับตัวกลายเป็นปฏิปักษ์ทันทีอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะว่าน่าคิดเพราะว่า ศรัทธาของผู้ค น, นไม่ใช่พาะภาลุเนี่ยนะศรัทธาของผู้คนทั้งหลายเนี่ยก็เป็นอย่างนี้กันมากมายนะจะเรียกว่าเป็นส่วนใหญ่ก็ว่าได้คือเปนศรัทธาที่เจือไปด้วยกิเลสยังมีความยึดติดในตัวตนสูงอย่างหลายคนเนี่ยนับถื อ, อครูบาอาจารย์น่าจะนับถือมากๆทีเดียวนะแต่พอครูบาอาจารย์ อ่าต่อว่านะบางทีไม่ได้ต่อว่าเพียงแค่ทักท้วงไอ้ทักท้วงอ่าท่ามกลางผู้คนหรือว่าทักท้วงอ่าสองต่อสองก็โกรธนะแล้วบางทีก็กลายเป็นว่าอ่าท่าทีเปลี่ยนนะจากที่เคยเคารพก็กลายเป็นไม่พอใจหรือถึงขั้นเกลียดชังนะทั้งที่ถ้าพูดไปแล้วเนี่ยศรัทธานเนี่ยมัน ตามความหมายคือการยอมลงให้นะคนเราถ้ายอมลงให้ น, นะใครก็จะพูดจะว่าอย่างไรก็ยอมนะแต่เราก็เห็นนะคนที่ศรัทธานในครูบาอาจารยนะ์หลายคนพอถูกครูบาอาจารย์ว่าพอถูกครูบาอาจารย์ทักท้วงก็กลายเป็นโกรธโกรธก็คือความมุ่งร้ายไม่ยอมจะตอบโต้น ะ, ะบางคนก็อาจจะเป็นแค่ชั่วคราวนะเพราได้สติ แต่บางคนก็อาจจะเก็บความไม่พอใจฝังไว้ในใจเลยมีโยมคนหนึ่งนะเป็นโยมที่มีอายุมากทั้งหกสิบเจ็ดสิบเนี่ยมีศรัทธามีความเคารพในพระรูปหนึ่งมีการทอดกระถิ่นก็ดันด้ น, ดนไปร่วมคณะกระถิ่นไปถึงวัดพนระรูปนั้นก็ ลงมาทักทยยายญาติโยมที่ามาวัดนะก็ทักทายหลายคนแต่ว่าคงจะลืมหรือว่ามองไม่เห็นโยมคนนั้นไม่ได้ทักทายด้วยโยมคนนั้นก็โกรธนะไม่พอใจแล้วก็หลังจากนั้นนี่ก็ไม่เคยกลับไปที่วัดนั้นอีกเลยเท่านั้นไม่พอเวลามีใครพูดถึงภาพรูปนั้นก็จะ ก็จะโกรธนะแล้วก็จะหาเรื่องว่าตําหนนะิบางทีก็ถึงขั้นต่อว่านะหรือว่าด่าว่าเลยนะอันนี้ก็ก็คงเป็นศรัทธาในลักษณะดเดียวกับพระรูปที่ว่านะก็คือเป็นศรัทธาที่มันเจอไปด้วยกิเลสเจอด้วยอัตตาที่จริงเป็นเพราะอัตตาด้วยคงกระมังเนี่ยเป็นเพราะอัตตาด้วยเป็นเพราะความ ยถือในตัวตนด้วยก็เลยเป็นเหตุให้ศรัทธาพระรูปนั้นเช่นอาจจะเป็นเพราะว่าพระรูปนั้นหรือภาษาริบุบทําอะไรที่ถูกใจตัวเองพอทําอะไรถูกใจตัวเองเนี่ ย, ยก็เลยชอบก็เลยศรัทธาอันนี้มันเป็นศรัทธาที่จะเรียกว่าอิงกับตัวอัตตก็ได้นะ ไม่ใช่ศรัทธาโดยธรรมถ้าถ้าเป็นศรัทธาที่ดีเนี่ยนะมันคือเป็นศรัทธาโดยธรรมเช่นศรัทธาเพราะว่าพระรูปนี้หรือศรัทธาพระไศริบุตรเพราะว่าท่านสอนธทรรมได้ดีประพฤติตัวถูกต้องถูกต้องทางธรรมแต่หลายคนเนี่ยนะศรัทธามันไม่ใช่เป็นศรัทธาโดยธรรมนะแต่ว่าเป็นศรัทธาเพราะว่า ถูกใจตัวภาพรูปนี้ถูกใจตัวหรือพระไตรปุฎทำอะไรถูกใจเรานะก็เลยเกิดความศรัทธาขึ้นมาอันนี้เป็นศรัทธาที่งอนแง่นนะมันแปลเปลี่ยนนะกลายเป็นความโกรธและความเกลียดได้มันก็มืีความรักนะความรักเราก็พบแล้วก็คงเจอเจอมาเยอะนะรักใครก็ตามบางทีรักมากๆเนี่ยกลับกลายเป็นโกรธแค้นมาก นะไอท้ที่ที่ฆ่ากันตายหลายคู่เนี่ยหลายคดีเนี่ยนะก็เพราะเคยมีความรักกันนะอาจจะคนที่ถูกฆาก็อาจจะเป็นแฟนหรือเป็นคู่รักไอ้ตอนที่รักกันก็ดูดเดือดนะแต่พอฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเขาทําไม่ถูกใจตัวก็าอาจจะไปแคะไปปันใจให้ผู้ชายคนอื่นผู้หญิงคนอื่นนะหรืออาจจะต่อว่านะไม่ทําตามใจก็โกรธ จากโกรก๋วกลายเป็นเกลียดแล้วพอเกลียดแล้วมันก็เราเคยมุ่งร้ายถึงขั้นทำร้ายถึงตายคนส่วนใหญ่เนี่ยคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยจะไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยมีโอกาสเป็นฆาตรกรหรอกนะแต่เหตุเหตุหนึ่งที่ทาให้คนเนี่ยจนวนไม่น้อยเนี่ยคนธรรมดาธรรมดากลายเป็นฆาตรกรนั่นคือเรื่องของความผิดหวังในความรักนะความแค้นในคู่รักคู่ครองของตัว ทำไมถึงโกรธและเกลียดถึงขั้นฆ่าได้ตั้งที่เคยมีความรักมาก่อนก็เพราะเป็นความรักที่มันเจอไปด้วยกิเลสนะเป็นความรักที่หมายจะเอามาปนเปื้อกิเลสมาปนเปื้อตนเองอที่รักเขาที่เคยรักเขาเพราะว่าเขาถูกใจเรานะเขาทําอะไรถูกใจเขาหน้าตา飒 ส, สวยหรือว่าหลอ่อนะ ถูกใจเราก็เลยรักเขานะหรือเขาเปรนเปื่อเราก็พูดจะหวานหวานกับเราก็เลยรักเขานะนะแต่พอเขานะทําไม่ถูกใจเราก็กลายเป็นโกรธแล้วก็เกลียดไม่ว่าแต่ความรักระหว่างคู่รักเลยแม้กระทั่งความรักระหว่างพ่อแม่กับลูกเนี่ยพ่อแม่หลายลคนก็โกรธลูกนะเพราะว่าลูกเนี่ยไม่ทําตามใจตัวเอง เรียนในคณะที่พ่อแม่ไม่ต้องการหรือว่ามีคู่ครองที่พ่อแม่ไม่เห็นด้วยหรือไปมีอาชีพนะที่พ่อแม่เห็นว่าไม่มีอนาคตนะก็ดูเหมือนว่ารักลูกนะหวังดีกับลูกแต่ว่ามันก็เจอด้วยความปรารถนาความอยากให้เขาเนี่ยนะทำถูกใจเรา ทำตามความคิดของเราหรือว่าเป็นคนดีนะมีอนาคตตามแบบของเราไอ้ของเราของเรานี่ก็คือตัวกูของกูนั่นแหละนะมันหนีไม่พ้นไอ้ของเราตัวเราหรือตัวกูของกูทั้งนั้นแหละเพราะนั้นพ่อแม่เนี่ยหลายคนก็ลงเอยด้วยความโกรธลูกเกลียดลูกนะไล่ลูกอกจากบ้าน นี่ขนาดความรักของพ่อแม่นะซึ่งก็เรียกว่ามีความเจงกับตัวน้อยแล้วเนี่ยนะแต่ว่าถ้าเผลอให้มันให้กิเลสหรือว่าอัตตาครองใจเนี่ยมันก็สามารถจะจากความรักกลายเป็นความโกรธและความเกลียดอาถึงขั้นไม่มองหน้านะไม่เผาผนะีหรือว่าทำร้ายกันเลยก็มี นี่เราพิจารณาดูนศสัต t h ของเราเนี่ยไม่ใช่เป็นศรัทธาในศาสนาในศรัทธาในครูบาอาจารย์เนี่ยนะมันเป็นศรัทธาโดยธรรมหรือเปล่าหรือว่ามันมันเจอไปได้วยกิเลสเจอไปได้วยความงี่กงตัวเจอไปได้วยความคาดหวังอยากจะได้สิ่งตอบแทนนะสิ่งตอบแทนอาจจะไม่ไม่ได้เป็นอะไรนอกจากการได้รับความสําคัญนะการอยู่ในสายตาของเขาเป็นซัมบอดี้ในสายตาของเขานะ หรือว่าอาจจะบางทีความปรารถนาอาจจะเป็นเรื่องที่หยาบๆ ก, ก็ได้เช่นลึกๆ ก, ก็อยากจะไดนะ้ได้ชื่อเสียงได้การยกย่องนะหรือว่าได้โชคได้ลาบนะจากเขาหรือว่าจากสิ่งที่เราศรัทธาเมื่อสองปีหรือปีที่แล้วเนี่ยมีพ่วง ก, กับหนังคนหนึ่งนะยอมทุ่มเทกู้เงินนะหลายสิบล้านเนี่ย มาสร้างหนังนะเป็นหนังเกี่ยวกับเรื่องหลวงพ่อโตนะตั้งชื่อหนังว่าครัวโตมั้งคนที่ทําหนังแบบนี้ได้ก็ต้องมีศรัท ธ, ธานะศรัท ธ, ธาในหลวงพ่อโตศรัท ธ, ธาในพุทธศาสนาเพราะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยขาดทุนนะใช้ในโรงได้ไม่กี่วันก็ถูกถอดนะเพราะว่าเป็นหนังที่ คนอาจจะรู้สึกว่าทำได้ไม่ดีนะผูวม ก, กับก็เป็นหนี้นะหลายสิบล้านนะเขาใจว่าสามสิบล้านมัน้งหรืออาจจะน้อยกว่านั้นก็ต้องหลบหนี้นะหลบลี้หนีหน้าผู้คนเพราะว่าโดนเจ้านี่ตามทวงและไม่นานเนี่ยภรรยาก็ทิ้งนะแกเสียใจมากนะ วันดีคืนดีก็ประกาศว่าต่อไปนี้ไม่นับถือพุทธศาสนาแล้วเพราะว่าทุ่มเทให้กับพุทธศาสนามามีศรัทธาในศาสนาแทนที่จะประสบความสุขความจเจริญกับเป็นนี่ล้นพ้นตัวต้องหลบนีหลบลี้หนีหน้าผู้คนแล้วเมียยังทิ้งอีกนะไม่ได้ความจเจริญยั่งยืนอะไรเลยนะก็เลยประกาศไม่นับถือพุทธศาสนานะ ในใจนี่ของสึกลบนะกับพุทธศาสนาจากคนที่โอ้สัทธาในพุทธศาสนามากนะยอมทุ่มเทนะกลายเป็นคนที่หันหลังแล้วก็รู้สึกเป็นลบกับพุทธศาสนาอันนี้ก็เหมือนกันนะมันเป็นศรัทธาที่ตีกลับนะศรัทธามันจะกลายเป็นความไม่ศรัทธาหรือจะกลายเป็นความเกลียดชังก็ไม่ใช่เรื่องยากถ้าเป็นศรัทธาที่มันเจอไปด้วยกินเลย นะคือแรกๆอาจจะมีความศรัทธาเพราะว่าเออสอนดีนะช่วยคนพ้นทุกข์แต่ว่าพอศรัทธาไปศรัทธามามันก็มีความกินเหลมก็ไปครอบงาตัณหาก็าไปเข้าไปเข้าแทรกนะหวังว่าเนี่ยถ้ามีศรัทธาในพุทธศาสนาแล้วนะชีวิตจะประสบความสุขความจเจริญ น, นะพระรัตนตรัยนะจ ะ, ะคุ้มครองให้ ได้โชคได้ลาบนะอันนี้ก็ไม่ต่าจากคนที่ศรัทธาในบุญกุศลนะหลายคนก็ทำบุญทำกุศลด้วยด้วยมีความศรัทธานะในอนุสงในอนิสงในในอนุภาพของบุญกุศลเชื่อว่าทำแล้วเนี่ยนะทำบุญเยอะๆนะเดี๋ยวบุญจะรักษาธรรมะจะคุ้มครองแต่พอวันดีคืนดีนะเกิดป่วย เป็นมะเร็งหรือว่ามีหนี้สินนะกิจการล้มละลายนะหรือว่าครอบครัวแตกแยกจิตมันพลิกเลยนะจากที่เคยทำบุญนะหรือว่ามีศรัทธาในศาสนานี่มันพลิกเลยนะเป็นตรงข้ามคือไม่ทำบุญแล้วนะทำดีไม่ได้ดี ต่อไปนี้ไม่เข้าวัดละเหมือนกับโยมหลายคนเนี่ยนะที่จังหวัดสุรินทร์เมื่อสักสี่สิบปีที่แล้วมีไฟไหม้มีไฟไหม้ใหญ่กลางเมืองกลางจังหวัดสุรินทรนะ์บ้านเมืองบ้านเหลือนกอ็ถูกเผาทําลายไปคงนับสิบนับร้อยนะสิ้นเนื้อประดาตัวกันมากมายก็มีหลายคนเน่ยนะไปพูดอฝากโยม คนหนึ่งของหลวงปู่ดุลนะโยมนี่เขาก็มาเล่าให้หลวงปู่ดุลมาฟังว่าเนี่ยมีมีครอบครัวหนึ่งนี่เขาบอกเนี่ยเขาทาบุญมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายพ่อแม่เขาก็ทําบุญเยอะนะตัวเขาเองผ้าป่ากระถิ่นก็ไม่ขาดแต่ทําไมต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ทําไมบุญไม่รักษา ท, ทําไมทําำไม่คุ้มครองต่อไปนี้จะไม่ทําบุญแล้วจะไม่เข้าวัดแล้ว หลวงปู่ดุลก็เลยต้องอธิบายว่าเนี่ยนะไฟมันทําตามหน้าที่ของมันแล้วท่านอธิบายว่าธรรมะไม่ทําหน้าที่อย่างนั้นท่านขยายความว่าความเสื่อมความอันตรทางความวิบากความพัดพรางเนี่ยมันเป็นธรรมดาโลกนะไม่ใช่ว่าอา่พอทําบุญปฏิบัติธรรมแล้วนะจะไม่เกิดเหตุแบบนี้คนที่ทําบุญหรือว่าคนที่ฝ่ไฟทำปฏิบัติธรรมเนี่ยเมื่อเหตุแบบนี้เนี่ยนะ แล้วก็ต้องพิจารณาว่าเออธรรมะนี่จะใช้รักษาจิตใจได้อย่างไรนะหน้าที่ของธรรมะอยูตรงนั้นนะคือทำให้ใจไม่ทุกข์เพราะเห็นว่ามันเป็นธรรมบดดานะไม่ใช่ไปคิดว่าเออมีธรรมะแล้วนี่จะไม่หิวจะไม่เจ็บป่วยจะไม่เป็นโรคนะจะไม่เกิดอภัยพิบัติอนี้ไม่ใช่จรนะิงธรรมะก็สอนอยู่แล้วนะตลอดเวลา อย่างที่เราเสื่อมกันอยู่บ่อยๆ เ, ยเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะมพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความป่วยไข่เป็นธรรมดาจะพ้นจากความป่วยไข่ไปไม่ได้มีความตายเป็นธรรมดาจะพ้นจากความตายไปไม่ได้เราจะต้องพลาดพาดจากของเราของชอบใจทั้งนั้ น, นธรรมะนี้ก็ก็พูดแต่เรื่องนี้แหละ <S <S <S <S เราทั้งหลายเป็นผู้ที่มีความทุกอย่างเอาละเป็นผู้ที่มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้ว ถ้าเปิดใจฟังธรรมะจริงๆเนี่ยมันก็จะเอ่อก็ต้องซึมซับนะความจริงเหล่านี้เข้าไปในหัวจิตหัวใจบ้างซึ่งจะทําทให้มีภูมิคุ้มกันน ะ, ะถ้ามีตรงนี้แหละนะมันก็เรียกว่ายิ่งทําให้เกิดศรัทธามากขึ้นแต่เป็นศรัทธาที่เรียกว่าประกอบไปด้วยปัญญาเรียกว่าศรัทธาญาณสัมปยุตนะศรัทธาญาณสัมปยุต์ก็คือศรัทธาที่เจอไปด้วยปัญญาหรือประกอบด้วยปัญญาหรือว่ามีปัญญาเป็นฐาน นะก็คือศรัทธาโดยทำนั่นแหละศรนะัทธาเพราะเห็นว่าสิ่งนี้ถูกต้องนะไม่ว่าสิ่งนี้จะเป็นคนนะหรือว่าเป็นคาสอนหรือว่าเป็นศาสนาก็ตามนะนะมีความศรัทธาไม่ใช่เพราะมันถูกใจเรานะเพราะว่ามันทำให้เรากลายเป็นคนสาคัญ นะทำให้เรานะมีความหวังว่าจะได้โชคได้ลาบนะ น, นี่เป็นศรัทธาที่มันเจอไปได้วยกิเลนะสศรัทธาที่ยังเต็มไปได้วยความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนและศรัทธาแบนี้ ง, ง่อนแง่นนะมันสามารถจะกลายเป็นสามารถจะกลายเป็นตรงกันข้ามนะจากศรัทธากลายเป็นความเป็นปฏิปักษนะ์ความเปลียดชัง แล้วเราก็ตรวจสอบศรัทธาของเรานะเวลาศรัทธาในคนก็ตามครูบาอาจารย์นะศรัทธาในศาสนาเนี่ยถ้าไม่เป็นศรัทธาที่เต็ไมไปด้วยความยิ่งความอยากความคาดหวังที่จะมาปนเปลือกตนเองเนี่ยนะมันสามารถจะกลับมาเป็นโทษแก่เราได้ทาให้เราสามารถทําให้เราโกรธทาให้เราน้อยเนื้อต่ําใจนะกลายเป็นความเกลียดได้ ถ้าเราต้องตรวจสอบแบบ น, นี้วิธีตรวจสอบอย่างหนึ่งคือว่าเวลาครูบาอาจารย์หรือสิ่งที่เราศรัทธาเนี่ยเกิดนะส่งผลไม่ถูกใจเราเนี่ยนะเราโกรธไหมเราเกลียดไห ม, รไห ม, รไหมครูบาอาจารย์พูดไม่ถูกหูหรือว่าทวงติ้งวิจารนะเรามีความโกรธไหมนะมีความไม่พอใจหรือเปล่าถ้ามีความโกรธมีความไม่พอใจแสดงว่าแสดงว่าเป็นศรัทธาที่ยังเจอไปด้วยอัตตานะ ไม่ใช่ศรัทธาโดยธรรมเพราะถ้าเป็นศรัทธาโดยธรรมก็ต้องพิจารณาว่าที่ท่านพูดมาถูกไหมถูกหรือเปล่าถูกต้องไหมมีประโยชน์หรือเปล่าไม่ใช่โกรธเพียงเพราะว่าพูดมากระทบเรานะเพียงแค่พูดกระทบอัตตาเราโกรธล้วแต่ไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาว่าที่ท่านพูดมาจริงไหมมีประโยชน์กับเราหรือเปล่าถูกต้องตามธรรมไหมถ้ามันพิจารณาแบบนี้บ้างนะไม่ทําให้ศรัทธาเรามั่นคงเป็เพราะเป็นศรัทธาโดยธรรม แต่ถ้าเอาตัวตนเป็นหลักนะมันก็อยากจะได้ยินแต่คำชมนะคำพนพนนํคำพูดที่ถูกใจหรือการให้ความหวังนะว่าจ ะ, ะร่ำรวยจ ะ, ะมีโชคมีลาบหรือว่าได้รับความสำคัญนะมีหน้ามีตานะไปอวดคนได้ว่าในฉันเป็นศิษย์ของครูบาอาจารย์คนนี้หลายคนนับถือเนี่ยเพียงเพื่อจะได้ไปอวดนะ ไปอวดคนว่าเนี่ยฉันนะเป็นลูกศิษย์ของอหลวงพ่อหลวงตาหลวงปู่คนนี้นะยิ่งเป็นยิ่งเป็นพระที่เด่นดังมากเท่าไหร่เนี่ยก็อยากจะแห่ไปเป็นลูกศิษย์นะทั้งนั้นแหละนะแต่พอครูบาอาจารย์สอนพรอครูบาอาจารย์นะตำหนิก็ไม่พอใจน้อยใจขุนเคืองใจนะนี่ต้องระวังนะ บางทีศรัทธางเราเนี่ยมันเป็นไปเพื่อเชื้อชูกิเลส น, นะเพื่อประกาศตัวตนของเราในอีกแบบหนึ่งนะซึ่งก็ทาให้เรามีความทุกข์แล้วก็ไม่ไม่เจริญนะรวนทั้งไม่ได้ประโยชน์นะจากสิ่งที่เราศรัทธาแม้สิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีงามก็ตามอ้าวใ้ที่พกกุทํธรรมนี้นะครับพระ